นั่นแหละนี่คือนิสระโถแล้วเนี่ยนิสรณะคือคืออัดของนิพนิพานเนี่ยไปใช้เทียบเคียงกับอัดของทุกขสัตว์และสมุทัยสัจจะให้ตรงกันข้ามกับทุกขสัตว์และสมุทัยสัจจะเพราะความไม่เป็นไปของทุกขสัตว์และความไม่เป็นไปของสมุทัยสัจจะคือนิโรธาสัจจะนี่ก็จะเข้าใจเลยไหมพอเราเข้าใจอัตถะของเขาชัดเจนส่วนพยัญชนะก็ไปตามดูนี่ล้ะ เพราะเดี๋ยวต่อไปต้องไปถึงอัดอยู่เลยนี่ทีนี้ลักษณะอย่างนี้ท่านถึงบอกว่านั่นแหละนิสระโถอปริโพธะโถเนี่ยต้องอธิบายนิโรธาสัจจะให้ตลอดถึงสมุทยัยสัจจะเพราะปริโพธะเนี่เป็นชื่อของสมุทัยอปริโพธาเนี่ย<ฮ>ใช่ไหม แปลว่าไม่มีเครื่องกังวลจะเห็นได้ว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะ่ยต้องมีทุรักังวลด้วยกิเลสกรรมและวัตถุกรรมเนะี่ยเพราะอะไรเพราะในสันดานของสัตว์เหล่านั้นประกอบไปด้วยตันหาสามคือการมมาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาที่ยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์อยู่ใช่ไหมถ้าได้สําเร็จพระนิพพานตัดกระแสของตันหาเสียได้ตัดกระแสตันหา เสียได้ขาดจกขันธทสันดานแล้วก็จะสิ้นธุระทั้งป่วงจะไม่มีธุระและ้วจะไม่มีธุระเครื่องกังวลด้วยกิเลสกรรมและวัตถุกรรมอีกต่อไปเนาะฉะนั้นเป็นเหตุที่ละตันหาถ้าเรายังมีธุระกังวลอยู่ก็เป็นเหตุแห่งการละตันหาไม่ได้พุทธองค์ประสงค์ให้เห็นใจความตลอดถึงสมุทยาาาัยสัจจะจึงทรงสแสดงอัดคําว่าอริโพทัตโธเนี่ยของนิโรธสัจจะเป็นคำลบสอง ใช่อันนี้เห็นหน่อยนะอันนี้เราก็ให้เข้าใจบอกว่าโอนิสตระนนี่คือสภาวะของพระนิพพานอัดของเขาส่วนคำว่าอปริปโพธเนี่ยก็คือตัณหาใช่ไหไอ้ตัวตัณหาคือความยินดีเพิดเผยให้สังเกตดูนะท่านแสดงนิโรธเนี่ยในในสัจจะในสัจจะ บ, บพะก็ดีหรือในสัจจะวิพังเป็นต้นก็ดีเนี่ยนะท่านจะถามว่าไม ตัณหาถ้าจะเกิดก่อนถ้าแสดงสมุทัยอ่ะตัณหาจะเกิดเกิดที่ไหนใช่ตัณหายินดีพอใจในไหนอ่ะยินดีตาใช่ไหมตั้งอยู่ที่ตาใช่ยินดีในหูตั้งอยู่ที่หูยินดีในจมูกตั้งอยู่ที่จมูกยินดีในลิ้นตั้งอยู่ที่ลิ้นยินดีที่กายตั้งอยู่ที่กายยินดีที่ใจก็ตั้งอยู่ที่ใจตัณหายะถ้าจะนิโรธสจากก็คือดับใมสภาพที่ตัณหารูปตัณหาดับ นั่นแหละคือพระนิพพานสถธตตัญหาดับนั่นแหละคือพระนิพพานเป็นต้นไ้ยนั่นคือนิสระนาก็เลยลักษณะเงี้ยอปริโพธะก็คือนั่นแหละสิ้นธุระกังวลด้วยกิเลสกรรมวัตถุกรรมก็เป็นสภาพที่พ้นจากตัญหาฉนั้นต้องอธิบายสาบนี้ให้ถึงสมุทยรรัยสัจจะฉนั้นต้องกลับไปเชื่อมโยงตัวสมุทยรรัยสัจจะแล้วจะได้ดับสมุทัยสัจจะหน้าที่ตรงไหนใช่ไหมนั่นแหละนิพพาน นิพพานก็คือสภาวะที่ดับดับสมุทัยยสัจจะเข้าใจอย่างงี้นะต่อไปก็คืออสังคตัดโทที่ต้องอธิบายให้แทงตลอดถึงมากษัตริย์อสังคตัดโถ่เนี่ยนะสังคตัดโถ่แปลว่าอะไรไไใช่ไหมถ้าอาสังคตัดโถ่ก็คือการเจิตตัวฐารไม่ปรุงแต่งอันนี้ต้องอธิบายให้ตลอดถึงมากษัตริยนะ์เนาะจะเห็นได้ว่าโยคาวจรผู้มีปัญญาเนะี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเหล่าเนี้ เห็นว่าในช่างเรือนคือตันหาเนี่ยที่ตกแต่งเครื่องเรือนเนี่ยคือรู ป, ปกายของสัตว์พระนา ม, มาทําทั้งหลายให้สัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะได้ทุกเวียนทนอยู่ในวิบากอยู่ในเรือนตนเองเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมีคนละเรือนคนลหลังหลายหลังกันนีใช่ไหมนี่มีเรือนเลยเบ็ดเสร็จก็ตอกตะปูคนละเก้าดอกบ้านหลังเนี่ยตอกเข้าไปตาเข้าใช่ไหม หูคือสองเลยนะจะโบกอีกสองนะปากอีกหนึ่งทวารหนักทวารเบาใช่ไหมตอกเข้าไปเลยลมก็พั ด, ดตอนนี้บ้านเริ่มจะพังแล้วเนื้อก็ได้หลังใหม่อีกแล้วก็ไปตอกใหมอ่อกตอกตุบๆๆเลยนะไม่ต้องเสียใจไอ้บ้านเนี่ยได้ได้แน่นอนเนีฉะนั้นกรณีอย่างเงี้ยในช่างเรือนกล่าวคือตัณหาก็ตกแต่งเครื่องเรือนคือรู ป, ปากายหรือนมามธรรมต่างๆเหล่านี้ให้กษัตริย์ สัตว์ทั้งปวง ก, ก็เวียนทุกเวียนทนวิบากอยู่ในเรือนตนเองอ่ะคิดจะอันจะคิดอานอุบายหลบหนีไปจากเรือนคือตัณหาตกแต่งไวเนี่ยอาศัยอะไรดีถึงจะออกได้ออกจากเรือนหลังนี้ได้หรือเรือนที่เราจะมีต่อไปเนี่ยอาศัยมรรคสัต์นั่นแหละจะเป็นอุบายในการที่จะพ้นจากเรือนคือตัณหาก็ต้องอาศัยการปฏิบัติตามมรรคสัต์จะทุบทุจโอมก็ประสงค์เห็นใจความให้ตลอดถึงมรรคสัต์ ก็เลยทรงแสดงอัดของคําว่าสังคตถโธเป็นอัดของนิโรธาสจะในคำลบสามนี่มองเห็นนีนะพอมองอันนี้ก็ไปขยายความไปอมตะถโถนี่คือต้องอธิบายถึงทุกทุกขสัตว์อมตะถโถแปลว่าอะไรอหมก็แปลว่าอะไรมี่อาจบอกว่าจะเห็นได้ว่านิโรธาสจะนั่นเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมที่ระงับโรคเนาะ สิ้นสุก็คือระ ง, งับโรคก็คือความเกิดนี่เป็นโรคนะความแก่ความเจ็บความตายสิบสองอย่างมีการเวียนไหวตายเกิดแล้วก็ตามกำเนิดต่างๆวกสังเษตช้าบ้างอันชาบ้งาบงคับเสยยากาบ้างโอปปาติกะเป็นต้นทีท่อธิบายไปแล้วนั่นแหละนั่นแหละถ้าดื่มดามเขาบอกว่ากรณีที่เวียนไหยตายเกิดต่างๆนี่เป็นโรค เราไม่สามารถที่จะระงับโรคเหล่านี้ได้แต่ถ้าได้ดื่มน้ำอมฤตหรือว่าน้ำอมตนะนคือพระนิพพานค็นิโรธแล้วเนี่ยโรคทั้ง12ประการเนี่ยมีชาติทุกข์เป็นต้นก็ระงับหายไปโดยแท้กองทุกข์ทั้งปวงก็จะสิ้นสูญไปเพราะการอาศัยพระนิพพานพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสใจความบอกว่าอมตดโธให้แทงตลอดถึงทุกขอริยสัจ นีอัดเนี่ยอัดของนิโรธาสัจจะเป็นกำลบสี่นี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้มีมองเห็นหนะนะนั่นก็คือทุกเป็นคือโรคกองทุกทั้งหลายอ่ะถ้าเราต้องการระงับทุกระงับโรคนะก็ต้องดื่มน้ามาําอมฤตขึ้นพระนิพพานนี่นะขึ้นตอนนี้เรายังไม่ไ ด, ดื่มด่าพระนิพพานเลยยังไม่ได้เคี้ยวยังได้ไม่ได้เสพพระนิพพานเป็นอารมณ์เลย แล้วก็จะเข้าไปดื่มด่ำในพระนิพพานนะเข้านะเข้าก็จะเป็นอมาตะเราก็จะพ้นจากความตายนี่เราก็ตายแล้วตายอีกก็คือเกิดแล้วเกิดอีกนั่นแหละไปแก่ไปเจ็บไปตายอะไรต่างเนี้ยนี่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความระงับดับกองทุกข์ทั้งปวงให้สิ้นสุดได้แต่ถ้าอาศัยพระนิพพานเป็นไปก น, นิพพานแล้วก็จะดับสภาวะเหล่านี้เป็นต้นได้ประการต่อมาคือมรรคสัตต์ตัวมรรคสัต ต, ตนี่สําคัญเนาะ ก็คือนิยนญาณนิโถก็คือนําออกจากภพเนิญญาณนิกะรธรรมเป็นธรรมที่นําออกจากภพเฮวัตโถก็คือนะก็คือเป็นเหตุนะนะเป็นเหตุนะตัวมารกษัจจานี่ถือว่าเป็นเหตุเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานไม่ใช่เป็นเหตุทําให้พระนิพพานโกรธขึ้นหน่อต้องเข้าใจนะสัมปาปาค่ะเหีแล้วก็นิสรณัตโถมีอาจว่า เห็นนะ่ะนะอะไรนะนี่ทัศนะโถใช่ไหมทัศนะได้นี่ทัศนะศนนศนก็ได้สําแดงออกคือเห็นนะั่นแหละอธิปไตยโถก็คือเป็นใหญ่เนาะนแรกนิ ญ, น ญ, ญานะโถเนี่ยคือสั์ตรงเนี้ยในชั้นของดีกาท่านอาจจะมีมีสั์ที่ต่างกันนิดหนึ่งนะไม่เป็นไรพระพองค์ประสงค์จะเห็นใจความของ มักกะสัตจะแท้แท้จึงทรงสแสดงบุคคลที่เป็นสัตว์บรุษปรารถนาที่จะข้ามมหาสมุทรก็คือวัตสงสารเนะี่ยถ้าจะข้ามก็ต้องอาศัยมักกะสัตทีนี้มักกะสัตที่จะเป็นปัจจัยในการที่จะข้ามมหาสมุทรก็คือสังสารวัตรนะนะั้นเน่ะมักกะสัตนั้นเป็นสมเพลาทำหรือสมเภาทองเนะื้อที่ล่ำเลิศแล้วก็ใหญ่มาก แล้วก็บอกว่าสัเภาทรทองอันนี้คือมรรคสัจจานี้ที่ท่านดีกาจาร์ทั้งหลายท่านขยายกันไว้หลายที่หลายที่ท่านบอกว่าไม่ไม่เอียงแล้วก็ไม่โครงแล้วก็ไม่จมด้วยแล้วก็ไม่แตกทําลายได้วษัตริย์เนี่ยเป็นสัเภารที่มั่นคงแน่นหนาไม่ได้จราจนทนทานยิ่งนักก็คือไม่พังอ่ะถึงลมพายุจะพลัดกล้าสักปราณใดก็ไม่หวาดหวัน่นไม่เสเทือนสะทานนะ สัมเพลําใด้นหมจะปูนปานเทียบเท่ากับสัมเภานี้ไม่ได้เทียบไม่ได้เลยะสัมเาลําเนี่ยมัก ษ, ษ, ษัตริย์เนี่ยเป็นสัมเพลที่ค่อนข้างมั่นคงที่สุดในบรรดามักทั้งหลายมักทั้งหลายที่สัตว์ทั้งหลายประกอบกันแบบผิพดพลาดๆนั้นน่ะมักเหล่านั้นน่ะสัมเพลเหล่านั้นน่ะสัมเพลเหล่านั้นไม่มั่นคงไม่สามารถที่จะเป็นสัมเพลทองนี่นะวิ่งล่องลอยเพื่อจะข้ามโลกเกียมหาสมุทรได้หรือไม่ แต่ถ้าหากว่าสัมเภาที่ทองหรือว่าสัมเภาใหญ่ที่พุทธองค์ทรงทรงบอกเขาไว้ประกอบเขาไว้เนี่ยนะที่เปิดทางให้ไว้เนี่ยสัมเภาเนี่ยสามารถที่จะข้ามทะเลหลวงแล้วก็ข้ามโลกเยะมหาสมุทรเป็นต้นได้ฉะนั้นการข้ามโลกเยะมหาสมุทรได้นั้นเนี่ยก็มีมรรคสัจจานี่แหละอย่างเดียวนั้นที่จะสามารถข้ามได้เขาเรียกว่ากล่าวคือปริเทวทุกข์แล้วก็โทมนัสทุกแล้วก็อุปายาสทุก สัตว์ทั้งหลายก็ร้องไห้ครับแค้นใจ อ, อ, อะไรอาวรสืบซื่นกันอยี่ยนะจัดว่าเป็นน้ําในโลกเยี่ยมหาสมุทรประกอบและลอกกันใหญ่หลวงมาหือมากล่าวคือชาติชราพญาทิเกลื่อนกลลไปด้วยผีเสือ้อน้ําและปาลาล้ายเป็นอันมากก็คือโลพะโทสาโมหะอันนั้นก็เรียกว่าผีเสื้อล้ายนะั้นก็ปลาล้ายทั้งหลายเหล่าเนี้เกี่ยวกันในเรื่องของโลพะโทษาและก็โมหะมัชยริยะธรรมโลกเยะมหาสมุทรเนี่ยก็บอกลึกซึ้งคัมภีรภาพมาก สัมภาร์อื่นนอกจากมังคสัตว์แล้วไม่อาจที่จะข้ามได้คืนข้ามไปก็จะอันตรายแตกทําลายแล้วก็ตามละลอกขึ้นแล้วก็จากสัตว์ลายทั้งหลายเนะียเสาและใบก็จะหักแล้วก็ไม่สามารถที่จะทนทานเป็นต้นได้ฝูงคนก็จะพิ้หน้าจีพายเป็นพักสาหารของเต่าบ้างของปลาบ้างของสัตว์ลายเป็นต้นแล้วก็ทะเลหลวงหรือว่าลมที่กล้าทั้งหลายเนี่ยนะนะนะนะทะเลในโลกยีาเนี่ยก็จะดูดกินสังสารสัตว์เหล่านั้นเนะีนะ่ยนะ ให้จมลงในสังสารวัตรแต่มารษัตริย์ยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็สามารถที่จะขนประชาชนให้ข้ามพ้นทะเลของโลกิย่าได้พระไตรโองก็เลยประสงค์แสดงอัดคำคําว่า น, นิยาดิโถนี่เป็นอัดแรกเลยว่ามารษัตริย์จะก็พัลณ า, าให้ดูว่างามขนาดไหนนะขึ้นไปแล้วปลอดภัย <c oughs> ที่มันอยู่ที่ว่าใครจะประกอบได้ใช่ไหมสมาทิฏฐิเป็นตัวอะไรเนี้ยสรดวกก็คือสิกขาสามนะตัง้งอยู่ในร่องรอยของสิกขาสามแล้วปลอดภัย เคยบอกท่านแคทใช่ไหมบอกถ้าสิกขาสามเนี่ยท่านเดินอยู่ท่านจะปลอดภยัยไปที่ไหนท่านไม่ต้องกลัวหรอกถ้าท่านมีสิกขาสามแต่ถ้าโดดลงจากสิกขาสามปลอดภัยแน่นอนอไม่ปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมไอตรงเนี้ยตอนนี้เราจะขึ้นลรับทองลํานี้ให้ได้นึ่งตอนนี้เข้าสู่ทางเส้นนี้ได้หรื อ, อยังเหรอใช่ไหมได้อย่าง ได้แล้วเลยเที่ยท่าหันกลับงั้นตรงเนี้ยท่านใช้คำว่านินยานิกะทำใช่ไมนินยานิกะอปราธนาจะข้ามโลกเยี่ยมหาสมุทรไหมปราธนาไม่ยอมสวรรค์โลกเยี่ยมมหาสมุทรเนี่ยเป็น ถามว่าเรือธรรมดาข้ามไม่ได้ใช่ไหมเรือของนิคหน้าตบุตรก็ไม่ได้ไม่ได้มัคคลพพิโคสาละชิตาเกตกำพลพวกนี้ไม่ได้ก็สร้างเรือกันทั้งนั้นแหละบรรด า, าศาสดาเจ้าลทัทธิทั้งหลายสร้างเรือเพื่อยจะให้ข้ามมาสมุดทั้งนั้นเลยนะจอมจอมหมดต้องที่พระพุทธเจ้าทำเนี่ยที่เปิดไปบอกตอนนี้เราไมต้องประกอบเองนะ พระเจ้าจบอกวิธีประกอบแล้วต้องประกอบเองนะแต่ก่อนไม่มีใครมาบอกวิธีประกอบตอนนี้มีแล้วแล้ววิธีประกอบตรงเนี้ยหลักการประกอบอริยมากเนี่ยหรือประกอบเรือเนี่ยหลักสูตรเนี่ยเริ่มจะจางหายไปแล้วแล้วเราจะหมดโอกาสประกอบกันอยู่แล้วตอนนี้รีบประกอบเสียชิ้นส่วนต่างๆเหล่ า, าลนี้ยเพราะเราต้องการที่จะเป็นเรือสัมภูร์ทองที่มั่นคงในการที่จะ ข้ามโลกยิ่มหาสมุทรซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาพันธุ์เนี่ยนะนานาชนิดเนี่ยแล้วก็ยังมีพวกพายุใหญ่เยอะแยะไปเบีดเส็จ น, นะ่ะแล้วจะผ่าทะเลเพิงแห่งทะเลทุกไปได้ไงเนะ่มีชาติติดทุกขเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะมันต้องผ่าไปได้ใช่ไหมแล้วในทะเลเพลิงเหล่านี้ยังมีปลาล้ายสัตว์ร้า ย, ร า, ยราคาโทสามห ه ا เลยที่มันคอยกัดกินอีกเยอะแยะเบียดเสดเนี่ยแต่ถ้าอยู่บนเรือแล้วปลอดภัยเอาทีราคาโทสามห ه ا กัดกินไม่ได้อ่า ถ้าเราประกอบยี่เรือเรือไม่แตกแน่นอนใช่ไหมแต่เพียงเราจะโดดลงเนี่ยเราจะตกจากเรือต้องไม่ให้ตก <c oughs> มองเห็นไหมเนี่ยพูดเนี้ยเห็นภาพเรือสมเภาลํานี้ไหมเห็นอาริยมาร์กเลยใช่ไหมเนี่ยในลักษณะเนี้ยเนี่ยมันก็สามารถที่จะแล้วเรือเหล่านี้พุทธเจ้าก็ประกอบแล้วก็ให้ไปให้พุทธบริษัทข้ามพ้นทะเลโลกได้ พระองค์ก็ปรารถนาใจความของนิยานิกธรรมเป็นมรรคษัต์ในการที่จะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัตรล้ยก็ก็ต้องไปลองสรุปดู ยากหนึ่งก็ก็ลองดูทะนนตรงนี้ก็คือก็คือต้องต้องไปกระชับเรื่องแล้วก็ต้องไปเตรียมเรื่องอ่งาแล้วอีกเดยว เด็กเวลาก็จะหมดเฮ<อ>วัดโถเนี่ยนะอันนี้ก็คือให้แทงตลอดถึงสมุทรยรรรัจจาทีนี้การที่จะข้ามทะเลโลกยะมหาสมุทรไปต้น อ, อันบุคคลที่จะข้ามให้พ้นจากทะเลต่างๆนั่นเะนี่ยนะก็เพราะถามบอกว่าทำไมสัตวร์จรึงข้ามไม่ได้ใช่ไหมสัตว์ที่มีสันดานที่อากูลแล้วก็เต็มไปด้วย มูลแห่งเหตุคือตันหานี่นะตันหาเหล่านี้น่ะก็คมขีย่ํำยีจิตสันดานของสัตว์ทั้งหลายนั้นเนี่ยอยู่เป็นนิจการหาปัญญาที่จะพิจารณาเห็นโทษของตันหาไม่ได้ตันหามันขี่คออยู่เนาะมันขี่คออยู่มันก็ปกปิดโทษไอ้ตัวตันหามีทำกิจในการปกปิดโทษในภพเนี่ยเราถูกตันหานี่ปิดจนมมืดมิดโมหะก็ถมทับเข้ามาอีกเบ็ยดเสร็จนะ สัตว์นั้นก็ไม่มีจิตสันดาลในการที่จะคิดเนาะบุคคลจะข้ามไปให้พ้นจากทะเลโลกียามาหาสมุทรหรือทะเลหลวงเป็นต้นเหล่านี้ไม่ได้นั้นเพราะมีสันดานาคูลมนหมองไปอยู่ด้วยมูลแห่งตัณหาเนาะตัณหาก็คมขี่ดังที่ได้กล่าวแหละหาปัญญาที่จะพิจารณาเห็นโทษตัณหาไม่ได้อุปาทานาขันก็เข้าอุดหนุนให้กําลังแด็ดตัณหา อย่างคล้ายๆว่าตันหามีกําลังหนุนมากมีกองหนุนตลอดเวลามีอารมณ์หลากหลายโตอุปาทานขันก็เป็นเครื่องอุดหนุนมาเป็นระยะระยะต่างๆเนี่ยนะตันหาก็มีกําลังกล้าปัญญาไม่สามารถจะหักกลานลงได้ไม่สามารถจะหักกลานตันหาไม่หาสําเภาคือมักษัตริย์จะจึงไม่อาจข้ามทะเลโลกได้ถ้ามีองค์ของปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิในจิตสันดานนะพิจารณาเห็นตันหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปัตถวพยานอันตรายต่างๆก็คือว่าเอาทุกเน่นะนะเอาทุก42ทุกมาไล่เลียงก็ไนดะ้ทุก12บสองกองมาไล่เลียงโดยย่ออย่างี้นะถ้าขยายทุก12กองแล้วยังไม่ชัดเพ่อบุปาทานขันห้านี่แหละแล้วไปขยายเป็นทุก 42, 42กองนี่นะเป็นทุกขโตเนี่ยอันนี้จะโตทุกขโตโรกโตเนี่ยนะันตะโตเป็นต้นเนี่ยไล่ไปตามลำดับอย่างี้นะ นัเข้านัาเข้าปัญญาเนี่ยแหละจะไปทํากิจก็จะเห็นว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ภัยอุปัตว์อันตรายต่างๆ่างในสุดเห็นโทษของตัณหาอุตสาหาปฏิบัติตามทางมารรคสัจหาสําเภาคือมรรคสัจจะได้แล้วก็จะรื้อขนข้ามโอคะไปได้ได้ก็จะมาข้ า, ขามโลกย่ำมหาสมุทรได้มูลเหตุคือตัณหาเนี่ยนะจะข่มขี่ย่ำยีไม่ได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติตามมารรคสัจจะฉะนั้นพระพุทธองค์บอกว่า เคมาวัตโถเนี่ยนะต้องอธิบายมรรคสัตย์ให้แทงตลอดไปถึงสมุทัยสัจจะให้แทงตลอดถึงสมุทัยสัจจะว่าสัตว์ทั้งหลายลงทิศหลงทางกันอยู่เนี่ยนะเพราะอะไรตัณหาก็เป็นเหตุของทุกมรรคก็เป็นเหตุของพันธิพารอยู่ฮะใช่ไหมใช่มันเป็นเหตุเหมือนกันเนี่ยเอาเป็นเหตุเหมือนกันนี่แหละแต่ต้องอธิบายมรรคสัตย์อย่างเนี่ยเขาเป็นเหตุของพันธิพาร แล้วก็บอกตัญหาเป็นเหตุของทุกข์ต้องเทียบเคียงกันต้องเทียบเคียงกันในเหตุสองเหตุเนี่ยเหตุหนึ่งให้ทุกข์เหตุหนึ่งนะให้นิพพานเนี่ยใช้ปัญญาวิจัยวิจัยจะได้รู้ความจริงด้วยตีว่าเราประกอบเหตุของทุกข์มานานแล้วไม่เอาแล้วจะสลัดทิ้งเหตุของทุกข์แต่จะสร้างเหตุของการที่จะไปพระนิพพานมีเข้าใจเลยตรงนี้นี่มองเห็นตรงเนี้ยนะประการที่สามก็คื อ, อนิทัศนธาโถหรือทัศนธาโถเนี่ยอธิบายให ตลอดถึงนิโรธาสัจจะให้ได้มารคสัจเนี่ยได้เห็นใจความชัดของมารคสัจจะนี่เป็นอุบายอุบายที่แสดงให้เห็นประจักษ์แจ้งซึ่งนิโรธาสัจจะใช่ไหมถ้าถามบอกถ้าปฏิบัติตามมารคสัจจะแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะพบได้เห็นซึ่งนิโรธาสัจจะได้ถ้าเราไม่เดินตามมารคสัจจะเราจะไม่มีโอกาสเห็นพระนิพพานไม่สามารถจะถึงพระนิพพานเป็นต้นได้แต่ถ้าปฏิบัติตามมารคสัจอาศัยความสามารถ ในการที่ประกอบมรรคสัตว์อย่างต่อเนื่องที่เป็นโลกีญาน้อมหานิโรธาสัจจะเป็นต้นในเสดจริงก็จะพบนิพพานแท้ที่พระองค์ก็ประสงค์ใจความไม่แทงตลอดถึงนิโรธสัจจะด้วยอัดคําว่าทัศนะหรือนิทานนัดเนี่ยส่วนประการที่สี่อธิ ป, ปัจจะโธก็ต้องอธิบายให้ถึงทุกขสัตย์พระสงค์เห็นใจความชาดวมมรรคสัตย์นี้เป็นใหญ่ใหญ่มากเป็นอธิปไตายยะใช่ไหม เป็นธรรมารที่วัาใยเดยวเอใช่ไมเป็นใหญ่เอาเป็นใหญ่ขนาดไหนระ ง, งับทุกข์ทั้งปวงได้กองทุกข์จะดับได้ก็อาศัยการปฏิบัติตามมรรคสัจจะท่านก็เลยอุปมาเลยเหมือนโอสดหรือเหมือนมนต์ที่วิเศษที่จะระ ง, งับพิษหรือมิฉะนั้นท่านก็บอกว่าเหมือนกับท่อทานน้ำฝนที่ตกลงไปใ น, นดีแล้วก็ยังพืชกล้าให้บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ ให้ปราศจากภัยคือภัยการอดอาหารเป็นต้นเนี่ยมรรคสัจจานี้ก็ระงับทุกขนะระงับชาติทุกชราทุกพญาทิทุกขมรณะทุกขโสกกาปริเดวะทุกขโทมนะสารและอุปาญาติฉะนั้นจึงเป็นอธิปตยะก็แปลว่าเป็นใหญ่สามารถระงับทุกได้ใช่ไหมเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่จะเดินออกจากทุกขได้ระงับทุกได้ระงับพิษระงับหัวฝีเป็นต้นเหล่านี้ได้นี่ท่านอธิบายในเรื่องของอัดของ มากษะสันอันนี้ก็ถือว่าย่อๆที่จบเลยนะนี่ก็จบอะต่อไปจะสวดมนต์กัน